เจริญพรท่านสาธุชนผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช5 5 1อีกประมาณสี่วันถึงหวันข้างหน้าคือวันที่17และวันที่18กรกฎาคม จะเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่สองวันด้วยกันวันที่17เป็นวันอาสาระบูชาวันที่18เป็นวันเข้าพรรษาทางพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญแะฮะต่อวันสองวันนี้ทางพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญ ของวันที่มีความสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะเป็นการเตือนสติเป็นการให้เราได้ฟื้นฟูความจำในสิ่งที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐเพื่อเราจะได้ไม่ลืมคุณค่าอันประเสริฐของพระพุทธศาสนาซึ่งเปรียบเหมือนกับ แก้วมรกรเป็นรัตนะไตรเป็นเพชรนึ่งจินดาทีุ่รมคุณค่าอย่างยิ่งถ้าเราไม่มีวันสำคัญต่างๆไว้คอยเตือนสติเตือนใจพวกเราแล้วชีวิตของพวกเราในแต่ละวันที่ต้องคล่งเคร่งต่อการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาความสุขตามความโลภตามความอยากต่างๆ ก็จะทำให้เราไม่ได้เห็นคุณค่าของพระศาสนาเมื่อเราไม่เห็นคุณค่าของพระศาสนาเราก็จะไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเราลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานั้นก็คือใจของเราแต่เรามักจะถูกความหลงหลอกให้เราไปเห็นความสำคัญในสิ่งอื่นๆที่ไม่เป็นความสำคัญ ที่ไม่เป็นคุณประโยชน์อย่างแท้จริงกับชีวิตจิตใจของพวกเราเลยแต่เราไม่รู้กันเราจึงต้องอาศัยคนอย่างพระพุทธเจ้าที่นานๆานจะมาปรากฏในโลกนี้ขึ้นมาแล้วนำเอาสิ่งที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นมาประกาศสั่งสอนให้กับสัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเรา ที่เป็นเหมือนกับคนหูหนวกตาบอดไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆหรือได้ยินสิ่งต่างๆที่คนตาดีหูดีสามารถมองเห็นกันได้ชีวิตของพวกเราจึงต้องวนเวียนอยู่ในกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นดังนั้นในวันสำคัญต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะปล่อยปปล่อยภาระทางโลกไว้แล้วเข้ามาลำลึกถึงมาเจริญสติถึงเรื่องสำคัญต่างๆที่ได้เกิดขึ้นมาเช่นในวันอาสาหบูชาที่จะถึงนี้เป็นวันเผ่นเดือนแปดซึ่งในสมัยพระพุทธกาลนั้น เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคาสอนเป็นครั้งแรกเป็นเหมือนวันก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นวั น, ว, นวันนั้นก็จะถือว่าเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาเพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้และมาประกาศพระธรรมคาสอนให้กับพวกเรา พวกเราจะไม่รู้ถึงความสำคัญของจิตใจของเราเราไม่รู้ว่าใจของเรานี่แหละเป็นสมบัติที่ประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งเราควรที่จะดูแลรักษาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์แต่เราไม่รู้กัน เราถูกอำนาจของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของพวกเราจึงทำให้เราลืมไปว่าสิ่งที่เราต้องทำกันนั้นคือการรักษาใจของเราเพราะถ้าใจของเราได้รับการดูแลรักษาอย่างดีแล้วใจของเรานั้นจะมีแต่ความสุขอย่างเดียว ไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ใดแห่งใดในสภาพใดจะยากดีมีจนอย่างไรก็ตา่างถ้าใจของเราดีแล้วใจของเราจะมีแต่ความสุขเสมอแต่ถ้าเราไม่ดูแลรักษาใจของเราแล้วเวลาสิ่งต่างๆที่ใจของเราไปเกี่ยวข้องไปยึดถือไปหลงติดอยู่ก็จะ สร้างความทุกข์ขึ้นมาให้กับเราเช่นเวลาที่เราสูญเสียสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราหรือเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่เราต้องตายจากโลกนี้ไปใจของเราจะมีแต่ความระซ้ำรำสาย มีแต่ความวุดวายมีแต่ความทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งหรือเวลาที่เราต้องสูญเสียคนที่เรารักไปก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าใจเราไม่ได้รับการดูแลรักษาด้วยธรรมะขับสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจของเรานั้นจะไม่มีที่พึ่งใจของเราจะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ ลุมเล้าอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราได้น้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริ ส, สุทธิ์ให้คลายจากความหลงที่ไปหลงรักหลงชอบหลงยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆเพราะพระพุทธเจ้า ทรงได้นำธรรมนี้มาใช้กับพระองค์แล้วทรงเจริญธรรมนี้จนพระไทยของพระองค์นั้นสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความหลงความโลภความโกรธหลงเหลืออยู่ในใจเลยมีแต่ธรรมะซึ่งเปรียบเหมือนกับแสงสว่างคอยสอนใจคอยเตือนใจคอยห้ามใจ ไม่ให้ไปหลงไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของต่างๆก็ดีหรือบุคคลต่างๆก็ดีทรงพิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่ามันไม่ได้มีตัวตนมันไม่ได้เป็นสมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นเดียวกับต้นไม้ภูเขา ต่างๆเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกับมนุษย์เช่นเดียวกับสัตว์เช่นเดียวกับสิ่งของต่างๆล้วนเป็นธาตุสี่ทั้งสิ้นมาจากดินน้ำลมไฟเมื่อมาผสมกันก็เปลี่ยนเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆพอเข้ามาในร่างกายก็กลายเป็นอาการต่างๆเช่นผมขนเล็บฟัน หนังเนื้อเอ็เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ทรงพิจารณาเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราถ้าจิตรู้ทันแล้วจิตก็จะไม่ยึดติดกับร่างกายก็จะปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามเรื่องของเขาดูแลไปตาม อัตภาพดูแลไปตามความสามารถแต่ถ้าไม่อยู่ในวิสัยที่จะควบคุมบังคับได้ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาเขาจะแก่ก็ต้องยอมรับความจริงเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องยอมรับความจริงเขาจะตายเราก็ต้องรับความจริงเมื่อเรารับความจริงได้แล้ว ใจของเราก็จะสงบใจของเราจะไม่วุ่นวายไม่สับสนไม่ทุกข์ทรมานใจนี่แหละคือวิธีรักษาใจที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้กับพวกเราสุดยอดของเครื่องมือในการรักษาใจก็คือปัญญาคือต้องรู้ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่ใจมาสัมผัส มารับรู้มาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อล้วนไม่ใช่เป็นของที่เป็นของใจใจไม่มีอำนาจที่จะไปครอบครองที่จะไปบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของใจได้ถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ทรบาณใจก็จะต้องปล่อยวางสิ่งต่างๆให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขา ถ้าปล่อยวางได้แล้วก็จะไม่ทุกข์แต่การที่เราจะเจริญปัญญาในระดับนี้ได้เราต้องมีธรรมะขั้นอื่นๆเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะปัญญานี้ถ้าเปรียบเทียบกับทางโลกก็เหมือนปริญญาเอกเป็นความรู้ที่สูงสุดก่อนที่เราจะ ไต่เต้าขึ้นไปถึงขั้นระดับปริญญาเอกได้เราก็ต้องเรียนปริญญาโทก่อนเรียนปริญญาตรีก่อนเรียนขั้นมัธยมก่อนเรียนขั้นปถมก่อนเรียนขั้นอนุบาลก่อนถึงจะไต่เต้าขึ้นไปได้ตามขั้นของเขาเช่นเดียวกับการที่เราจะไต่เต้าขึ้นไปถึงขั้นปัญญาได้เราก็ต้องมีสมาธิก่อน ถึงจะไปสู่ขั้นปัญญาได้ก่อนที่จะมีสมาธิได้เราก็ต้องมีศีลก่อนและก่อนที่จะมีศีลได้เราก็ต้องมีทานก่อนเราต้องมีการให้มีการเสียสละแบ่งปันสิ่งของต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ที่ไม่มีความจำเป็นกับเราเก็บไว้ก็เก็บไว้เฉยๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราใ ห, ให้อยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราก็จะมีความเมตตามีความการุณาจะไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นเพราะการให้นี้เป็นการคิดดี ม, มีความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขเมื่อเราให้บ่อยๆแล้วใจเราก็จะไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อเราไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่น การรักษาศีลก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายได้เพราะเราจะไม่เราจะไม่ฆ่าเราจะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดประเวณีจะไม่พูดโกโหกหลอกลวงแต่ถ้าเราไม่มีทานใจของเรายังใจแคบยังเป็นคนเห็นแก่ตัวยังโลภมากยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาบำรงบำเลอตนเองอยู่แล้ว ใจก็จะไม่มีความเมตตาไม่คิดถึงหัวอกของผู้อื่นไม่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเมื่อเป็นดังนั้นก็จะคิดเบียดเบียนผู้อื่นยัญย า, ยาที่ต้องการอะไรมากๆก็จะไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นเช่นคนที่ไปลักทรัพย์ของผู้อื่นก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำบุญให้ทานมาก่อนเป็นคนที่ เวลาอยากจะได้อะไรก็จะหามาทุกวิถีทางไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่คำนึงว่าจะไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่คนที่ไม่ทำบุญให้าทานเป็นปกติจะไม่สามารถรักษาศีลได้เพราะถูกอำนาจของความโลภความอยากความเห็นแก่ตัวความใจแคบนี้ คอยขัดขวางไม่ให้สามารถรักษาศีลได้ดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องทาใจให้กว้างมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นผู้อื่นผู้หนึ่งผู้ใดเดือดร้อนพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ควรที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ต่อกันละกันทำไปเรื่อยๆแล้วใจของเราจะ จะมีความสุขแล้วใจของเราจะมีความเมตตากรุณาและทำให้เราอยากจะรักษาศีลขึ้นมาเมื่อเรารักษาศีลได้เราจะเห็นผลของจากการรักษาศีลว่าทำให้ใจของเรามีความสงบมีความสุขใจของเราไม่วุ่นวายไม่กังวลกับผลของความชั่วที่เราทำไว ถ้าเราทำบาปทำกรรมเราจะมีจิตใจที่รุ่มร้อนหวาดกังวลอยู่ตลอดเวลาเช่นถ้าเราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเราจะหวาดระแวงกลัวว่าจะถูกเขาจับได้กลัวว่าเขาจะรู้ว่าเราไปลักทรัพย์มาก็จะทําให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับมีแต่ความหวาดระแวงก็จะทําให้เราไม่มีความสุข แต่ถ้าเราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ไปเบียเดเบียนผู้อื่นแล้วใจของเราจะมีแต่ความสบายจะไม่กังวลไม่ห่วงไม่หวาดระแวงว่าจะมีใครมาจับเราไปลงโทษมาปะญามาตำหนิเราได้แต่อย่างใดเพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรที่เสียหายนั่นเองเราก็จะเห็นคุณค่าของความสงบของจิตใจว่ามันมีความสุข ว่ามันดีกว่าการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองดีกว่าการที่ได้อะไรต่างๆมาเพราะเมื่อได้อะไรมาแล้วก็ต้องมีความหวงมีความห่วงมีความกังวลมีความเสียดายเวลาที่สูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของความสงบของใจ ก็จะทำให้เราอยากมีความสง บ, า ม, สงบมากยิ่งขึ้นเราก็จะอยากจะนั่งสมาธิอยากทำจิตใจให้สงบระงับไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะเวลาที่เราคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วถ้าเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีก็จะทำให้เราไม่สบายอกไม่สบายใจถ้ า, าคิดถึงเรื่องดีก็จะทำให้เรากระตือรือ้น อยากจะได้อยากจะมีสิ่งที่เราคิดถึงมันก็ไม่ดีทั้งสองอย่างเพราะมันไม่ทำให้ใจเราสงบทาไม่ทำให้ใจเรามีความอิ่มมีความพอแต่ถ้าเราทำสมาธิด้วยการควบคุมบังคับใจของเราไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆโดยอาศัยธรรมะบทใดบท ห, หนึ่งมาเป็นเครื่องผูกใจ เหมือนกับเราอยากจะผูกสุนัขไว้ไม่ให้มันวิ่งเพ่นพ่านไปสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาต่างๆเราก็ต้องผูกสุนัขไว้กับเสาถ้ามีเสาผูกไว้แล้วสุนัขมันก็ไม่สามารถที่จะไปวิ่งเพ่นพ่านไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้ฉันใดถ้าเรามีสติคอยดึงใจไว้ให้อยู่กับธรรมะบทใดบท ห, หนึ่ง ไม่ให้ไปทิศถึงเรื่องราวต่างๆใจของเราก็ไม่สามารถที่จะไปเอาเรื่องราวต่างๆเข้ามาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้เช่นถ้าเราห่วงเรากังวลถึงคนนั้นคนนี้แต่ความห่วงความกังวลของเรานั้นไม่ได้ไปทำอะไรให้ดีขึ้นคนที่เราห่วงเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นจากความห่วงความกังวลของเราใจของเราก็ไม่ได้ดีขึ้นจากความห่วง จากความกังวลใจของเราจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อเราไม่ไปคิดถึงเรื่องของคนที่เรากำลังห่วกงกำลังกังวลเราก็ต้องเอาใจของเราไปผูกไว้กับธรรมะบทใดบทหนึ่งชเช่นเราจะสวดมนต์บทใดบทหนึ่งไปเรื่อยๆก็ได้อย่าไปคิดถึงเรื่องคนที่สร้างความกังวลสร้างความทุกข์ใจให้กับเรา เราสวดไปเรื่อยๆไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นไม่นานเดี๋ยวใจเราก็จะลืมเรื่องนั้นไปเมื่อไม่มีเรื่องนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจของเราแล้วใจของเราก็จะสงบเย็นสบายไม่เดือดร้อนไม่มีปัญหาอะไรนี่คือวิธีรักษาใจของเราให้สงบในยามที่มีเรื่องราวต่างๆเข้ามารุมเร้าจิตใจ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องราวต่างๆเราก็ต้องปล่อยวางให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมของมันถ้าเราทำอะไรได้เราก็ทำไปถ้าเราช่วยเขาได้เราก็ช่วยไปถ้าเราป้องกันได้แก้ไขได้เราก็ทำไปแต่เมื่อเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเราก็ต้อง ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมแต่ใจของเราอย่าไปทุกข์อย่าไปวุ่นวายอย่าไปกังวลกับเรื่องราวนี้ที่เราไม่สามารถทําอะไรได้เราควรย้อนกลับมารักษาใจของเราให้เป็นปกติให้สงบให้เย็นให้สบายด้วยการทําสมาธิจะสวดมนต์บทใดบทหนึ่งไปก็ได้ข้อสําคัญเวลาสวดแล้ว ขอให้อยู่กับบทสวดอย่างเดียวอย่าแวบออกไปคิดถึงเรื่องที่เรายังกังวลอยู่ถ้ารู้ว่าเราแวบออกไปก็ดึงกลับมาที่บทสวดมนต์ใหม่สวดใหม่ดึงกันไปดึงกันมาอย่างนี้พอมันเผลอจะไปคิดปับ๊บเราก็ดึงกลับมามาที่บทสวดมนต์ถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะไม่ไปพอไม่ไปแล้วเราก็จะสบายใจ เรื่องต่างๆอยู่ภายนอกจะเป็นอย่างไรมันก็จะไม่มากระทบกับใจของเราเหมือนกับความร้อนที่อยู่ภายนอกห้องที่มีเครื่องปรับอากาศถ้าเราเข้าไปในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเย็นสบายข้างนอกจะร้อนอย่างไรมันก็ไม่มาสร้างความร้อนให้กับตัวเราเพราะเราอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ฉันใดการทำสมาธิก็เป็นเหมือนกับการติดเครื่องปรับอากาศให้กับใจของเราเวลาใจของเราร้อนขึ้นมาด้วยความโลภ ก, ก็ดีด้วยความโกรธก็ดีด้วยความหลงก็ดีด้วยความกังวลก็ดีด้วยความห่วงใยก็ดีเราก็มาทำสมาธิเปิดเครื่องแอร์ในใจของเราพอเปิดเครื่องแอร์ไปสักระยะหนึ่งแล้วใจก็สงบเย็นสบาย นี่คือการรักษาใจด้วยสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่มันยังไม่ถาวรคือมันจะสงบในเวลาที่เราสวดมนในเวลาที่เราไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่เราไม่สามารถอยู่ในท่าของสมาธินี้ไปได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะเราต้องออกไปทำงานทำการทำเรื่องราวต่างๆ พอเราออกจากสมาธิไปทำเรื่องราวต่างๆใจเราก็เริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกและก็จะวนกลับไปหาเรื่องที่เราห่วงเรากังวลอีกถึงตอนนั้นเราต้องใช้ปัญญามาเป็นเครื่องทำใจให้สงบด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าเรื่องต่างๆนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราสมบัติต่างๆคนนั้นคนนี้เขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราอย่างแท้จริง เขาเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองสมมุติว่าเป็นพ่อเราแม่เราเป็นลูกเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราแต่พอตายจากกันไปสมมุตินั้นก็หมดไปก็ไม่ได้เป็นสามีเป็นภรรยากันอีกต่อไปเป็นอยู่แต่ในความทรงจำเท่านั้นแต่ความจริงแล้วไม่มีแล้วตัวตนของพ่อของแม่ของลูกของสามีกลายเป็นขี้เท่าขี้ถ่านไปหมดแล้ว นี่คือความจริงของชีวิตเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่สามีเราไม่ใช่ภรรยาเราไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เราไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่ร่างกายของเรานี่คือวิธีที่จะทำใจของเราให้สงบได้ตลอดเวลาเพราะถ้าเรารู้ทันแล้ว ว่าไม่ใช่เป็นของเราเราก็มาเราจะไม่หลงไปยึดไปติดจะไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะไม่อยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดนี่เราจะได้ประโยชน์จากการเจริญปัญญาก็ตรงนี้จะทําให้ใจของเราเป็นปกติสุขไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับใครก็ตามเกิดขึ้นกับคนอื่นก็ดีเกิดขึ้นกับตัวเราก็ดีก็ไม่เป็นปัญหา พอใจของเราไม่ได้ยึดไม่ได้ติดกับอะไรแล้วร่างกายของเราจะแก่ก็แก่ไปจะเจ็บ่ายได้ป่วยก็เจ็บไปจะตายก็ตายไปแต่ใจของเราไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ทรม า, านไปกับการเป็นของร่างกายการเป็นไปของร่างกายนี่แหละคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงฝากทรงสอนพวกเราถ้าพวกเรา มีศรัทธามีปัญญาที่จะเห็นคุณค่าอันประเสริฐของธรรมะคำสอนนี้และเห็นคุณค่ากับการรักษาใจของเราให้สงบไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายกับอะไรเราก็จะน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติอย่างจริงจังมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะถ้าเราปฏิบัติเพียงเล็กๆน้อยๆเราจะไม่เห็นผลไม่เห็นคุณค่าของธรรมะเราต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราเต็มที่เราถึงจะเห็นผลอย่างแท้จริงดังที่พระพุทธเจ้าได้สมทุ่มเทชีวิตจิตใจของพระองค์กับการแสวงหาธรรมะอันนี้ทรงสระละราชสมบัติทรงให้ทานเต็มที่มีเท่าไหร่ให้หมด ทรงรักษาศีลอย่างเต็มที่ทรงบำเพ็ญภาวนานั่งสมาธิเจริญปัญญาอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาจนในที่สุดก็สามารถเอาชนะความหลงได้เอาชนะกิเลสได้สามารถรักษาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับอะไรได้ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถทำกันได้เช่นเดียวกัน ถ้าเราน้อมเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างน้อมเอาพระสาวกทั้งหลายมาเป็นตัวอย่างท่านปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติอย่างท่านรับรองได้ว่าชีวิตของเราจิตใจของเรานี้จะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์เลยและเราจะเห็นคุณค่าของใจของเรานี้ว่าเป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดยิ่งกว่าสิ่งอื่น ใ น, ในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนแต่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราทั้งสิน้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะไม่ให้ความทุกข์กับเราถ้าลองเราไปเกี่ยวข้องกับเขาลองไปหลงยึดติดว่าเป็นของเราแล้วเราจะต้องเสียใจเราจะต้องร้องห่มร้องไห้เราจะต้องวุ่นวายใจกับสิ่งเหล่านั้นอย่างแน่นอนจึงขอให้เรา เห็นความสําคัญของวันสําคัญต่างๆในทางพระพุทธศาสนาเพราะจะชี้กลับมาให้เราเห็นความสําคัญของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับจิตใจของเราและเมื่อเราน้อมเอาเข้ามาชำระสิ่งที่มันสร้างความทุกข์สร้างความรุ่นวายใจให้กับใจของเราแล้ว ต่อไปใจของเราจะไม่มีความทุกข์เลยจึงขอฝากเรื่องของวันสำคัญต่างๆในทางพระพุทธศาสนานี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติตามสมควรแก่กำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรของท่านต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงข อ, อยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศีลัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงค์และคุณบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแล้วก็ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอ